ขอนอบนอบ้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ก็ข อ, ขอกราบหลวงวัอเทียนหลวงว่อกำเขียนนะครับก็กลาบขอโอกาสพระจานทร์วัฒนชัยนะขอโอกาสพระจันทร์สุรินทร์ก็ขอโอกาสพวกเราสา ธ, ธรรมิกนะครับเจริญพรพวกเราแม่ชีแล้วก็ญาติธรรมเนาะที่มาปฏิบัติธรรมกัน ก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเรามาปฏิบัติธรรมกันก็ชัดเจนเนาะมาทาตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้าตรงนี้ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าพุทธเจ้าก็บอกนะบอกว่าสิ่งที่พระธรรมเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตะ และส่วนใดนะครับคือตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าโลกุตละถ้าหากว่าเราจะพูดกันก็เป็นโลกอุดอนนะโลกอุดอเป็นโลกที่มีความสว่างไสวไม่รู้ว่าเราเคยสังเกตกันหรือเปล่าเวลาแบบบางทีเวลานี้พวกเราอาจจะเพิ่งกลับบ้านกันถ้าอยู่ต่างโลกเนาะเวลาที่หมดแสงสีเนี่ย กรุงเทพนี่เหมือนขยะเลยนะครับไม่ใช่เหมือนขยะเป็นขยะจริงๆมันมืดนะแล้วมันก็แบบขยะนี่มันกองเยอะๆไปหมดเลยเนาะโลกแบบนั้นก็จะเป็นโลกที่ต่างกับต่างกับก็เรียกว่าโลกถังธรรมตรงนี้เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าเองก็บอกอย่างเราสวดบทสวดมนต์ชลาธรรมโมหิ ฉลังอนาตติโตแลวมีความแก่เป็นธรรมดาตรงนี้ก็บุรุเจ้าก็ชี้ให้เราเห็นนะว่าเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดามันมีทุกส่วนในร่างกายเราที่ที่แก่ให้เราเห็นคาคาตานะแก่เจ็บตายเราเห็นคาคาตาอยู่แบบต้องเรียกว่าไม่เว้นแต่ละชั่วโมงไม่เว้นแต่ละวันอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยบุรุษเจ้าชี้ให้เห็น เราจะเห็นได้ด้วยอะไรก็เห็นได้ด้วยการที่เรามีสติเนาะกลับมาดูสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญว่าพวกเรามาที่นี่กันมาปฏิบัติธรรมกันเราก็ทำกันเป็นแบบนี้เนาะหัดใช้สติมองกลับมาถ้าเราหัดใช้สติมองกลับมาที่ตัวเราเนี่ยตรงนี้เราก็จะเห็นความจริงเนาะที่เกิดขึ้นอาจารย์ สุลินท่านก็พาสวดบทสวดมนต์ที่เป็นเรื่องกลายเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาประจําวันตรงเนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าถ้าเราพิจารณาประจําวันไม่ใช่ว่าจบวันแล้วพิจารณานะแต่เหมือนกับว่าเราพิจารณาในขณะที่เรากําลังใช้ชีวิตอยู่ประจําวันนี่แหละในชั่วโมงนี้ในนาทีนี้อะไรย่างเงี้ยคือตรงเนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราพิจารณาเราก็จะเห็นอย่างเงี้ย แต่ถ้าเกิดมาเราไม่ได้ใช้สติเนาะพิจารณาความเป็นไปของกายเราของใจเราตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้ตาเราหูเราไปสนใจเรื่องราวของข้างนอกเหมือนอยังเวลาที่เราอยู่กับทางโลกนะอย่างนั้นนั้นนึงคือการอยู่ทางโลกเนี่ยเราก็จะเพลิดเพลินไปกับสิ่งลรอบๆตัวแต่ถ้าเราอยู่กับทางธรรมเนาะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราก็จะได้ ได้เห็นเนาะอย่างที่พระเจ้าบอกให้เห็นแล้วก็เราก็จะได้เหมือนกับค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจซึ่งความรู้ความเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เราได้เหมือนกับก็เรียกว่าผลของความรู้ความเข้าใจตรงนี้ <S <S ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าทุกเราจะน้อยลงเนาะสิ่งที่พระเจ้าบอกนะให้เราทำเนี่ยพระธรรมเนี่ยผลของการทําก็คือเราจะได้เข้าใจเนาะ โลกตามความเป็นจริงเมื่อเข้าใจโลกตามความเป็นจริงทุกเราก็จะน้อยลงตรงนี้หลวงพ่อคำเขียนท่านก็ตั้งใจนะที่จะให้วัดป่าสุกโตเป็นที่ปฏิบัติธรรมของทุกๆคนตรงนี้กเขาแบบว่าหลวงพ่อเขียนก็จะบอกบอกว่าไม่ไม่ปฏิเสธวิธีการปฏิบัติธรรมแบบไหนๆเนาะอย่างนั้นก็คือเหมือนกับว่าใครว่าใครจะมาเข้ามาใช้ สุกโตเนี่ยเป็นที่ปฏิบัติธรรมจะเป็นแบบไหนก็ตามเนี่ยหลวงพ่อก็ยินดีทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เองหลวงพ่อเองก็ได้เหมือนกับว่าท่านก็ได้แสดงเห็นแสดงให้เห็นถึงความยินดีต้อนรับเนี่ยผูท้ทุกคนเนี่ยตลอดเวลาคําแรกๆที่หลวงพ่อจะพูดก็คือมาบ้านเรามาบ้านเราถึงบ้านเราแล้ ว, ลวถึงบ้านเราแล้ ว, ลวตรงเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ หลวงพ่อพูดอย่างนี้กับตัวเองและหลวงพ่อก็จะพูดอย่างนี้กับคนอื่นตลอดเวลาตรงนี้เป็นบ้านที่สองของทุกคนเนาะบ้านของเราอาจจะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ตรงนี้ขอให้เป็นบ้านที่สองหลวงพ่อไม่ได้บอกขอให้เป็นบ้านที่สามนะขอให้เป็นบ้านที่สองให้เรานึกถึงตรงนี้นะแล้วก็กลับมาตรงนี้กันตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่หลวงพ่อก็ได้ใช้ชีวิต ตลอดมาเป็นแบบนี้เนาะต้อนรับทุกคนเนาะไม่เกี่ยงชาติไม่เกี่ยงภาษาแล้วก็ไม่เกี่ยงวิธีการใดๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งหลวงพ่อเองก็จะแบบเหมือนกับจะเน้นจะย้ำไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามจะปฏิบัติทำแบบไหนก็ตามเรากลับมารู้สึกตัวได้ไหมเรากลับมารู้สึกตัวได้ไหมตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญเรากำลังหัดเนาะที่จะคอยรู้สึกตัวกันเนี่ย เรากลับมารู้สึกตัวได้ตามก็เรียกว่าตามจังหวะการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยได้ต้องเรียกว่าอย่างน้อยที่สึกกระทุกวินาทีหรือบางคนถ้าเกิดว่าเคลื่อนไหวเร็วกนั้นก็จะกลับมารู้สึกตัวได้เร็วกว่า1วินาทีด้วยตรงนี้เป็นสิ่งที่เรากําลังหัดให้เคยชินกันถ้าเรากลับมารู้สึกตัวกลับมามีสติกับการที่เราจะทํานู้นทํานี่เนี่ย ได้ทุกวินาทีนะโอเป็นสิ่งที่วิเศษมากๆเลยอันนี้คือผลนะผลของความรู้สึกตัวก็จะวิเศษมากๆผลของการมีสติก็จะวิเศษมากๆแต่ทํานองเดียวกันการที่เราจะมีผลแบบนั้นเนี่ยการที่เราจะคอยรู้สึกตัวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราก็สามารถที่จะรู้สึกตัวได้ในทุกเซยววินาทีเหมือนกัน <c oughs> หลวงพ่อมิเขียนก็จะมาบอกว่า ให้เราช่วยโอกาสนะแตบบ่ว่าชั่วช้างสะบัดหูชั่วงูแลบลิ้นก็เอาอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยหมายถึงว่าถ้าเรามองเห็นนะลิ้นงูใช่ไหมครับมันก็จะแบบว่าเวลาที่เราใครเคยสังเกตนะลิ้นงูมันก็จะปับป๊บแป๊เดี่ยวเดียวเองเท่านั้นเองตรงเนี้ยหมายถึงว่านี่เรามีโอกาสนะมีโอกาสโอกาสแบบนี้เนี้ยเกิดจากอะไรเกิดจากการที่หลวงพ่อเทียนท่านก็แนะนํนากรรมฐานที่พวกเรากําลังทําอยู่เนาะ ให้เราอาศัยความเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นกรรมฐานถ้าเราอาศัยความเคลื่อนไหวเป็นกรรมฐานเนี่ยเราจะพบว่ามีความเคลื่อนไหวเนี่ยที่จะมาคอยให้เราเนี่ยได้ใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะกลับมารู้สึกตัวเนี่ยบ่อยมากจะเป็นความเคลื่อนไหวที่เราสร้างขึ้นมาเองก็ดีหรือจะเป็นความเคลื่อนไหวที่เราเรียกว่ามันมีอยู่แล้วประจําตัวเราก็ดีหลวงพ่อเคยนั่งนับเนาะ การกระพริบตาของตัวเองเนาะของคนอื่นนี้ต้องนับกันตัวเองเนะเพราะว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางครั้งนาทีหนึ่งหลวงพ่อก็กระพริบตาประมาณสักสี่สิบครั้งห้าสิบครั้งอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ก็ลองสังเกตโอในนาทีหนึ่งสี่ครั้งห้สิครั้งแล้วก็มีโอกาอสอาศัยการเคลื่อนไหวของเปลือกตาเราเนาะกลับมารู้สึกตัวเนี่ยได้ตั้งองนะ เกือบวินาทีหนึ่งเกือบวินาทีหนึ่งนี่ยังไม่นับความเคลื่อนไหวอื่นๆที่เกิดขึ้นที่เราจะฉวยโอกาสเอามาใช้กันตรงนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเขียนก็ได้ใช้แบบนี้ตลอดเวลาตอนแรกๆเข้าม า, เ ข, า, มาเข้ามาอยู่ที่บัตรเนี้ยตอนนั้นก็ยังไม่ได้บวชเนาะเข้ามาตั้งใจว่าจะมาเหมือนกับมาคอยให้ความสะดวกครับ กับหลวงพ่อเขียนมาท่านจะไปไหนมาไหนก็จะขอพาท่านขับรถให้ท่านเนี่ยอืมแล้วก็เห็นภาพอันหนึ่งที่มีเป็นอยู่เป็นประจำก็คือเวลาที่รถมาจอดกลับมาถึงวัดแล้วเนี่ยท่านก็จะบอกว่าบอกว่ามันก็จะเรียกนะบอกอาจารย์ตุ้มอาจารย์ตุ้มเอารถไปจอดเลยอย่างเงี้ยนะอย่างนั้นะ ปรากฏว่าเราก็เอารถไปจอดแต่ว่าด้วยความเคยชินของตัวเองเนาะก็จะเหมือนกับว่าพอรถจอดปุ๊บเราก็จะไปทำธุระอื่นๆก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาที่รถอีกครั้งหนึง่งแต่ปรากฏว่าหลวงพ่อเนี่ยบอกให้เราเอารถไปจอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อทำคืออะไรหลวงพ่อก็หยิบสายยางมาทำก่านสะอาดรถทันที ก็คำว่าทันทีนี่คือทันทีนะเรากลับมาปุ๊บเนีก็เห็นหลวงพ่อกำลังล้างรถอยู่ตกใจหลวงพ่อไม่ต้องครับไม่ต้องเดี๋ยวผมทำเองหลวงพ่อบอกว่ามันเป็นแค่กริยาเท่านั้นหลวงพ่อบอกแบบนี้นะคือหลวงพ่อไม่ได้กำ ล, ล, ล, นะลังล้างรถนะถ้าเรากำลังล้างรถเนี่ยก็เรียกว่า เรากำลังเป็นอะไรกับอะไรสักอย่างหนึ่งแต่นี่หลวงพ่ออาศัยกิริยาของการล้างรถเนี่ยเป็นการที่เราอาศัยความเคลื่อนไหวเป็นการรู้สึกตัวอย่างนี้เราเคยคิดแบบนี้ไหมพะว่าบางทีการล้างรถไม่ใช่หน้าที่ของเราเราเป็นผู้จัดการใช่ไหมต้องให้ลูกน้องมาลา้างอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้เราก็เข้าไปเป็นอะไรกับอะไรสักอย่างหนึ่งเล ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดผู้จัดการต้องล้างรถเนี่ย ม, มันจะต้องเป็นทุกข์เนาะเพราะนั้นคือเดวคายมาเห็นเขาาอ้าวทำไมไม่มีลูกน้องหรอทาไมอะไรต่างๆต่างใช่ไหมครับอย่างนั้นอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่นี่คือสิ่งที่เป็นเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อจะทำแบบนี้หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นปรกากฏว่ารถที่หลวงพ่อใช้อยู่เนาะ แบบหลวงพ่อใช้มาเป็นรถเก่าที่คนถวายหลวงพ่อใช้สิบแปดปีเนี่ยปรากฏว่าสีไม่ต้องซ่อมเพราะว่านี่คือหลวงพ่อกลับมาปุ๊บก็หลวงพ่อกล า, างไม่มีคลาบไม่มีใครอะไรที่จะจับเกาะไม่มีดินไม่มีอะไรที่จะทำให้เป็นสนิมนะปรากฏว่าเนี่ยของใช้หลวงพ่อนะหลวงพ่อก็ทนุถนอมทนุถนอมไม่ใช่ว่า หลวงพ่อห่วงไม่ใช่ว่าอะไรยังไงนะแต่เหมือนกับว่าคล้ายๆว่าหลวงพ่อเนี่ยสํานึกในบุญคุณของของได้ใช้แล้วก็ดูแลเขาอย่างดีเขาให้ความสุขก็ขให้ความสะดวกก็ให้ความสบายกับเราแล้วเนี่ยใช่ไหมก็ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เรียกหลวงพ่อเองก็ดูแลเขาตอบแทนกลับคืนแม้เขาไม่มีชีวิตก็ตามอย่างเงี้ยแต่นั่นก็คือเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ เ, เขาเรียกว่า เราได้เห็นนะมุมนะมุมของการใช้ธรรมของหลวงพ่อหลวงพ่อก็ใช้ธรรมกับชีวิตประจาวันใช้ธรรมกับผู้คนรอบข้างใช้ธรรมกับวัตถุสิ่งของใช้ธรรมกับธรรมชาติรอบข้างต่างๆนั่นคือตรงนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าเราเข้ามาที่ป่าสุกโตเนาะมาป่าสุกโตเราจะพบว่าธรรมชาติที่นี่นะเขาพิเศษกว่าจช่ไหมครับเราหันหลังกลับไป มองนอกวัดก็เป็นอย่างหนึ่งในวัดก็เป็นอย่างหนึ่งตรงนี้ก็คือสิ่งที่หนงพ่อเองเนี่ยเาเรียกว่าใช้ธรรมเนาะกับกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวจะเป็นผู้คนก็ดีวัตถุสิ่งของก็ดีจะเป็นเรื่องราวต่างๆก็ดีคือธรรมะเนาะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราได้เหมือนกับปฏิบัติธรรมกับความเคลื่อนไหวเนี่ย ตรงนี้ความเคลื่อนไหวของเราเนี่ยก็จะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆจนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเมื่อคนที่มีธรรมเนาะใช้ธรรมเนาะชีวิตก็ก็เรียกว่าปลอดภัยไม่มีทุกข์ไม่มีโศกตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเทียนก็ตั้งใจนะตั้งใจที่จะเหมือนกับว่ามอบวิธีการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้กับทุกๆคน ลพ่ เ, าาเทียนก็เคยพูดเป็นสิ่งที่สะดุดหูนะจะสะดุดหูพวกเราแล้วไปก็ไม่แล้วทหารก็มีทำได้นะตำรวจก็มีทำได้นะ <c oughs> คือโดยโดยอันนี้โดยส่วนตัวนะใครจะมีญาติพี่น้องเป็นตำรวจก็ต้องขออภัยนะสมัยก่อนนี่แบบเวลาเจอตำรวจเนี่ยเราก็จะนึกแบบว่ามีความไม่พอใจอยู่ในก็เรียกว่าอยู่ใน อยู่ในจิตใจเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วไม่มาตำรวจคนนั้นก็จะเป็นใครยังไงอะไรเงี้ยก็ตามแม้กระทั่งพี่ชายของตัวเองก็เป็นตำรวจนะ <c oughs> ก็ยังมีความรู้สึกว่าเราเห็นเครื่องแบบนี้เนี่ยเราก็อึดอัดขัดข้องทุกครั้ง <c oughs> อย่างเวลาที่เวลาที่ขับรถอยู่ในกรุงเทพ <c oughs> เจอตำรวจเราก็พบว่า มันไม่ค่อยมีเหตุผลนะที่จะเกิดอะไรขึ้นกับเรามีครั้งหนึ่งก็ขับรถไปเข้าช่องก็เรียกว่าช่องเก็บเงินทางด่วนตำรวจก็ก็เรียกและเขาก็มอกบอกว่าเนี่ยทำไมไฟหลังรถเราไม่มีตอนนั้นเป็นตอนกลางคื น, ขนเขาอยู่ข้างหน้า เขาอยู่ข้างหน้าแล้วแล้วเขาก็เรียกเราเราก็จอดแล้วแล้วในขณะนั้นะเขาก็บอกบอกว่าทำไมไฟหลังรถเราไม่มีก็นึกอยู่ในใจนะเห็นได้ยังไงใช่ไหมก็คือมันเหมือนกับเราเองเราก็พร้อมที่จะแบบว่าขัดแย้งพร้อมที่จะต่อต้านพร้อมที่จะขัดเคืองอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เวลาที่เราเห็นเครื่องแบบนี้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อเทียนก็มองนะบอกว่าคือ การปฏิบัติธรรมความรู้สึกตัวตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นแบบใครอาชีพไหนอะไรไงก็ตามเนี่ยสามารถทําได้สามารถปฏิบัติได้แล้วก็สามารถให้ผลได้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเรกาก็ได้เห็นได้เห็นกับเขาเรียกว่าอากัปกิริยาต่างๆที่ที่หลวงพ่อสอนนะต้องเรียกอากัปกิริยาต่างๆที่หลวงพ่อสอนหลังจากล่างรถแล้วเนี่ยหลวงพ่อจะทําอะไร หลวงพ่อก็จะมีก็เรียกว่าวัดปฏิบัติจุอันหนึ่งก็คือหลวงพ่อก็จะอ่าเรียกว่านอนอยู่ในรถก็ได้นะหลวงพ่อก็จะนั่งจะไม่เอนเบาแล้วก็นอนๆสิ่งที่หลวงพ่อทําก็หลวงพ่อก็จะฟังข่าวเนาะฟังข่าวแล้วก็จะแบบอยู่ในรถน่ะจนกระทั่งบางทีก็ถึงสองทุ่ม ก็อยู่ในท่านั้นอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะเราก็เไปไปมามาหลือบเรือบมองหลวงพ่ออยู่ก็ท้ายสุดพอสองทุ่มเราก็ไปกราบนิมนต์หลวงพ่อไปพักผอ่อนเถอะอะไรเงี้ยนะเราก็บอกอย่างนี้พอบอกอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้มีท่าทีของการหลับนะครับไม่มีหลวงพอก็ตอบเรานะบอกว่าหลวงพ่อไม่ได้หาความสุขจากการนอน คือเราเองเนี่ยนิมนต์หลวงพ่อเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่าหลวงพ่อนอนอย่างเงี้ยมันมันไม่มีความสุขใช่ไหมครับอย่างงั้นหลวงพ่อก็เรียกบอกให้หลวงพ่อไปหาที่ใหม่ที่ดีกว่านี้นี่คือสิ่งที่เรามองทางโลกเนาะแต่พอหลวงพ่อตอบมาเนี่ยใช่ไหมครับว่าหลวงพ่อไม่ได้หาความสุขจากการนอนเนี่ยเราก็มองเห็นภาพของตัวเองเนาะใช่ไหมครับ เราหาความสุขจากการนอนหาความสุขจากผ้าห่มอุ่นๆหาความสุขจากนู่นจากนี่อะไรต่าๆ heure. แม้กระทั่งหาความสุขจากอาหารหาความสุขจากการอ่านหนังสือหาความสุขจากการดูทีวีหาความสุขจากอะไรต่างๆแต่ว่าชีวิตของเราเนี่ยที่พอเรามุ่งหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่เรากระทำเนี่ยสิ่งที่เราได้คืออะไรคือความอึดอัดขัดเคือง <ua> <Samuel> ใช่ไหมครับ เราก็ได้ความทุกข์ไม่มากก็ น, น้อยได้ความเดือดเนื้อร้อนใจไม่มากก็ น, น้อยแต่พอหลวงพ่อบอกบอกว่าหลวงพ่อไม่ได้หาความสุขจากการนอนเนี่ยอือ ม, มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าการนอนคืออะไรคือการที่ร่างกายเนี่ยได้พักผ่อนเราก็ใช้ร่างกายมาทั้งมันเนาะใช่ไหมครับอย่างนั้นนั่นนั่นคือก็ให้ร่างกายได้พักผ่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ใช่ไหมครับร่างกายพักผ่อนเราก็ใช้ร่างกายทํา น, นู่นทํานี่ต่างๆใหม่ซึง่ตงตรงนี้เนี่ย เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าหลวงพ่อก็ได้ชี้ให้เราเห็นเนาะใช่ไหมครับชี้ให้เราเห็นจากขับัคกีรอยา ง, ง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับอย่างง้ น, นี่นี่คือสิ่งที่หลวงพ่อเองก็เรียกว่าทุกลมหายใจของหลวงพ่อเนี่ยก็เป็นลมหายใจที่เป็นลมหายใจของคนมีธรรมนะเนาะอย่างเนี้ยนั่นนั่นคือไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยพอเวลาที่เราสงสัยเราจะเริ่มสงสัยจากมุมของทางโลกเนาะ จะเป็นกับเราก็สงสัยจากสิ่งที่เราคุ้นเคยว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อไม่ทําอันนั้นทําไมหลวงพ่อไม่ทําอันนี้อะไรเงี้ยแต่พอเวลาที่เราเหมือนกับคล้ายๆค่อยๆสังเกตนะครับค่อยๆสังเกตสิ่งที่หลวงพ่อทําเนี่ยตรงนั้นอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่ามันมีสตินะอยู่กับการกระทําตลอดเวลาแล้วก็มีสติอยู่กับการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆจะเป็นการกินก็ดี จะเป็นการนอนก็ดีอย่างหลวงพ่อเนาะเวลาที่ขบฉันนะครับเวลาขบชันเนี่ยหลวงพ่อก็จะมีก็เรียกว่ามีสติกับการขบชันมากมากนะครับคำว่ามีสติกับการขบฉันมากมากนี่ก็คือเราก็จะมองเห็นนะครับว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาหารแต่ละอย่างเนี่ย หลวงพ่อจะเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างระมัดระวังไม่ใช่เกี่ยวข้องอย่างชอบอย่างชังถ้าเกี่ยวข้องอย่างชอบอย่างชังแล้วก็จะเป็นแบบอาจจะตัดมากหน่อยตัดน้อยหน่อยอะไรอย่างนี้ดนะังแต่หลวงพ่อเองก็จะเกี่ยวข้องอย่างระมัดระวังยิ่งช่วงที่หลวงพ่ อ, อต้องเรียกว่าอยู่ในการที่ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพเนี่ยหลวงพ่อจะเหมือนกับคล้ายๆว่า ใช้อาหารเนี่ยระมัดระวังมากๆนะอย่างเวลาอาหารก่อนหลวงพ่อคืออะไรปกติก็คือน้ำพริกกับผักนะครับอย่างนั้นอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็จะจิ้มน้ำพริกเนี่ยเอาผักมาจิ้มน้ำพริกเนี่ยหลวงพ่อจะแตะเหมือนกับเรียกว่าแทบไม่ติดเลยนะ <c ười> คือไม่ได้ต้องการเผ็ดต้องการเค็มต้องการเปรี้ยวแต่ก็เหมือนกับว่าคล้ายๆมากก็อาศัยนะเป็นรสชาตินินดๆหน่อยๆเท่านั้นเองซึ่งตรงเนี้ก็เป็นเรื่องที่ ได้สังเกตหลวงพ่อแบบนี้มาตลอดหลวงพ่อจะไม่มีเขาเรียกว่าไม่ติดชอบไม่ติดชังกับอาหารเลยนะคำว่าไม่ติดชอบไม่ติดชังกับอาหารเนี่ยเป็นยังไงครั้งหนึ่งหลวงพ่อก็บอกว่าโยมก็พาหลวงพ่อไปฉันหลวงพ่อบอกว่าโอ้เนี่ยแซบแซบเนาะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอย่างนั้น <laughs> วันลุกขึ้นโยมก็หายอย่างนั้นละ มาให้หลวงพ่อฉันอีกมามาหลวงพ่อบอกแซบแซบนะใช่ไหมอย่างเงี้ยปรกากฏว่าพ่อโยมหามาให้เราก็สังเกตดูหลวงพ่อไม่ได้แตะเลย <c oughs> <c oughs> คือหลวงพ่อก็ซื้อตรงนะครับไปตามร้านอาหารเนี่ยก็ขเขาก็ใส่ผงชูรสนะั่มันก็แซบจริงนะครับแต่คำว่าแซบไม่ได้หมายถึงชอบและอยากกินอีกไม่ใช่อย่างนั้น แต่แซบก็คือแซบอ่ะใช่หครับอย่างนั้นอะไรเงี้ยจืดก็คือจืดเค็มก็คือเค็มอย่างเงี้ยไม่ใช่หมายถึงชอบหรือชังอย่างเงี้ยคือหลวงพ่อจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราต่างๆอย่างที่เราแบบว่าไม่ใช่มุมที่เราเคยเห็นใช่ไหมครับอย่างมุมที่เราเคยเห็นอันนี้เป็นผักอันนั้นเป็นเนื้อใช่ไหมครับอะไรต่างๆแต่หลวงพ่อเห็นอาหารเป็นอาหารก็ต้องเรียกว่า วันแรกเลยของการบวชเนี่ยใช่ไหมครับก็มาฉันเช้าวันนั้นก็ญาติโยมก็เอาอาหารมาถวายเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ของหมานัันนั้นของข้าวอะไรเงี้ยใช่ไหมครับอย่างนั้นก็ญาติโยมก็บอกอันนี้เป็นแกงอันนี้เป็นผัดอะไรต่างต่างซึ่งก็ญาติโยมก็อยากให้หลวงพ่อได้เหมือนกับได้ฉันทุกอย่างที่ตัวเองเอามาวันนั้นก็เยอะออาหารเยอะแยะไปหมดเลย หลวงพ่อก็เทศบอกโยมนะบอกว่าอาหารข้างหน้าที่เห็นเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้เห็นเป็นวานเป็นข่าวแต่หลวงพ่อเห็นเป็นเลือดเนื้อหลวงพ่อเห็นเป็นเลี้ยวแหลงเพราะว่าอาหารพวกนี้เนี่ยหลวงพ่อฉันก็ไปมันก็จะกลายมเป็นเลือดเนื้อเป็นเลี้ยวแหลงซึ่งตรงนี้หลวงพ่อก็จะเอาเลือดเนื้อเลี้ยวแหลงตรงนี้เนี่ยมาทากุงามความดี หลวงพ่อแม่ทรยศพวกเราญาติโยมนะพวกเราทําให้หลวงพ่อได้มีเลือดเนื้อมีเลี้ยวแรงมีชีวิตเนี่ยนั้นนั่นคือหลวงพ่อเนี่ยจะทําแต่คุณงามความดีหลวงพ่อรับรองจะไม่เอาก็เรียกว่าเลี้ยวแรงกับพวกเราเนี่ยมาทําผิดกิดลายเด็ดขาดนคือตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยนะก็เรียกว่าไม่เคยเห็นมุมของอาหารแบบนี้แต่เราเคยเห็นแต่ก๋วยเตี๋ยวเคยเห็นแต่ข้าวผัดเนาะเคยเห็นแต่ของชอบของไม่ชอบแบบเนี่ย ใช่ไหมครับอย่างนั้นแต่พอหลวงพ่อมาปรับมุมอาหารอะไรไงก็ตามเนะ่ยไอ้ที่เราเคยชอบเคยไม่ชอบอ่ะมันก็ไม่ว่าเราจะใช่ไหมครับบริโภคก็เข้าไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นเลือดเนื้เอเร็วแรงให้เราได้ใช้แล้วก็ทั้งเราไม่เคยคิดนะว่าไอ้เลือดเนื้เอเร็วแรงที่เราใช้เนี่ยเราจะไปใช้หกกระเบนตีลังกาอะไรยังไงของเราชีวิตเป็นของเราเนาะนะใช่ไหมครับอย่างนั้นอย่างเงี้ยแต่นี้คือหลวงพ่อหลวงพ่อก็เนี่ยหลวงพ่อก็บอกอย่างเงี้ยโอ้นี่นะ เราเนี่ยเอาชีวิตเอาเลี้ยวเอาแรงตรงนี้เาไปทำคุณงามความดีกันไหมอะไรต่างตรงนี้ล่ะเป็นสิ่งดีเวลาที่เราทำกรรมฐานในเราหลวงพ่อเทียนนยีใช่ไหมครับหลวงพ่อเทียนก็จะบอกว่าในขณะที่เราทำกรรมฐานคอยเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเรากำลังคิดอยู่เผลอไปคิดอยู่เนี่ยเนาะให้เรากลับมารู้สึกตัวถ้าเราเผลอไปคิดเนี่ยให้กลับมารู้สึกตัวเราลองสังเกตเนาะ การที่เราเผลอไปคิดเนี่ยความคิดตรงนั้นอ่ะมันจะทําร้ายเราใช่ไหมครับเผลอไปคิดถึงเรื่องอดีตที่มันเป็นเรื่องเจ็บแค้นเผลอไปคิดถึงอดีตที่มันเป็นเรื่องโศกเศร้าเผลอไปคิดถึงเรื่องอะไรก็ตามที่มันทําให้เราหนักอกหนักใจใช่ไหมครับตรงนี้เป็นอย่างนี้ตลอดเนาะนั่นก็คือการที่หลวงพเตียนแนะนําบอกว่าให้เราเนี่ยรู้เมื่อคิดเนี่ยกลับมาก่อนรู้เมื่อคิดเนี่ยกลับมาก่อนเนี่ยตรงเนี้จิตใจของเราอ่ะ ใช่ไหมครับก็ปลอดภัยทันทีเวลาที่จิตใจเราพลาจากความคิดมาเนี่ยตรงนี้จิตใจของเราก็ใช่ไมครับก็ไม่ทุกข์ไม่โศกไม่หนักอกหนักใจตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่คำแนะนําของครูบาอาจารย์เนี่ยมันเป็นคำแนะนําที่ช่วยให้เราเนี่ยก็ เ, เรียกว่าแบบพ้นทุกข์ทันทีเนาะที่เราทำตามนั้นคือตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่กรรมฐานที่นี่เนาะก็เป็นกรรมฐานที่เรียกว่า เราเนาะ mm hmm. ก็เรียกทาเหตุที่ดีเนี่ยผลที่ดีเนี่ยจะเกิดขึ้นทาเหตุที่ดีไม่ต้องคิดเลยว่าจะเป็นยังไงไม่ใช่ว่าทำไมคนทำดีถึงไม่รวยอันนั้นไม่เกี่ยวกันใช่ไหมครับอันนั้นไม่ไม่เกี่ยวกันแต่ว่าคำว่ารวยหรือไม่รวยนะครับมันเป็นเรื่องเป็นทุกข์ที่ใจที่ไม่มากคนรวยคนจนก็มีแต่ว่าทำานองเดียวกันเนี่ย เวลาที่เรากลับมารู้สึกตัวเนี่ยไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นคนแก่ในก็ตามเนี่ยจิตใจของเราณเซลวินาทีนั้นนะก็ไม่ถูกครอบงําด้วยความทุกข์ใดๆนั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะว่าให้พวกเราเนี่ยได้เหมือนกับว่าได้ลองสังเกตดูพวกเราได้เข้ามาอยู่ในล่มธรรมตรงนี้ได้เข้ามาอยู่ในสุกโตเนาะตรงนี้เราพวกเราเองก็ได้รับก็เรียกว่าความสงบเย็นในจนํานวนหนึ่ง แต่นั่นคือมันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่พอเวลาที่เราเนี่ยปฏิบัติลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองเนี่ยเนาะให้เราได้เหมือนกับว่าได้ทําตามนะลองทําตามดูเจ็ดวันนี้เนาะสิบวันนี้หรือว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยเราลองกลับมารู้สึกตัวดูกลับมารู้สึกตัวดูตรงนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าหลวงพ่งอเขมเขียนก็ได้ใช้วิธีนี้จนกระทั่งถึงลมหายใจสุดท้ายของท่าน ตัวหนังสือสุดท้ายของท่านเนาะในนาทีสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวหนังสือที่ท่านกำลังใช้ร่างกายที่มันเหลืออยู่มันเหลือโอกาสให้ใช้อยู่น้อยมากๆเนะท่านก็เขียนตัวหนังสือในเบื้องต้นในในเสี้ยววินาทีสุดท้ายนะปรากฏว่าท่านเขียนแล้วมันไม่เป็นตัวท่านก็พยายามที่จะปั้นเนาะปั้นตัวหนังสือเนี่ยที่จะบอกลาพวกเรานี่ ในขณะที่ท่านกำลังจะหมดลมหายใจนะครับท่านก็อุตส่าห์ใช้ร่างกายของท่านเนี่ยทาคุณงามความดีด้วยการจะบอกลาพวกเราอย่างเนี้ยแล้วพอเวลาที่ท่านเขียนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยท่านก็ใช้ร่างกายของท่านลาพวกเราอีกครั้งหนึงด้วยการที่ท่านยกมือยกมือขึ้นมาพนมตรงเนี้ยมันมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าไม่รู้พวกเราเคยคิดหรือเปล่านะว่าอ ลมหายใจของเราทุกลมหายใจเนี่ยเราจะเอามาใช้ประโยชน์แบบนี้อะไรเงี้ยแต่หลวงพ่อเขียนเนี่ยท่านก็ไม่ได้คิดนำแต่ว่าท่านทำจนเป็นนิสัยทาจนเป็นนิสัยของท่านเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เนี่ยตัวหนังสือนาะนะนะทีนั้นนะพวกเรารับรับกระดาษออกมาเราอ่านไม่ออกนะครับเมื่อเราก็ พูดกันบอกว่าอย่าเพิ่งอ่านเลยทําอย่างอื่นดีกว่าก็คือนะตอนนั้นก็ต้องทําเรื่องราวที่เหมือนกับช่วยให้ท่านมีลมหายใจต่ออะไรอย่างนี้นะอย่างนั้นแต่ว่านั่นคือพอเรามาอ่านหนังสือเนี่ยท่านก็เป็นคําเขียนบอกลาใช่ไหมครับพวกเราขอให้หลวงพ่อตายนะหลวงพ่อเขียนแบบนี้หลวงพ่อเขียนแบบนี้เพราะอะไรเพราะหลวงพ่อก็เป็นห่วงพวกเรานะเหมือนกับว่าพวกเราเหมือนกับทุ่มเทที่จะให้หลวงพ่อมีลมหายใจเนี่ย เยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับอาจจะอดหลับอดนอนอ ะ, อะไรเยอะแยะอะไรต่างๆเพราะนั้นนี่คือตรงเนี้ยปล่อยลมพ่อตายไปเถอะเพราะนี่คือร่างกายมันใช้การไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยครับมันเป็นสิ่งที่เราเนี้ยถ้าเรามีชีวิตนะครับแ้วเรามีสติอยู่กับการใช้ชีวิตทุกลมหายใจเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันจะน่าประทับใจมากๆแล้วก็คิดมาเรื่องนี้ละมันจะเป็นสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ กับตัวเราแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นแล้วก็ตรงนี้แหละมันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้โลกนี้นะครับมันจะเป็นอีกโลกหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นโลกที่เป็นความมืดมนหรือเป็นความอะไรต่างๆนานาเป็นหน้าอย่างหลังอย่างแต่มันจะเป็นโลกที่สว่างมสวแล้วก็เป็นโลกที่เราเนี่ยจะเดินไปถึงปลายทางที่เป็นความไม่ทุกเนี่ยทุกันด้วยกันทุกคนก็เดี๋ยวพวกเรากราบพรพร้อมกัน